ประกาศสียยกรรมต่อมาพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นสงจงทำประกาศสียยกรรมในกรุงราชครึแก่เทวทัตโดยประกาศว่า เมื่อก่อนพฤติกรรมของพระเทวทัตเป็นอย่างหนึ่งเวลานี้เป็นอีกอย่างหนึ่งพระเทวทัตประพฤติสิ่งใดด้วยกายวาจาไม่พึงเห็นว่าพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้นพึงเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของพระเทวทัต